มีใครอยากจะถามอะไรนะัหยเดี๋ยว่วยบอกข้าวห้งหนังสือไวปไ้ปที่สารา น, นู่นเลยอย่าไปกองวันตรงนั้นเดี๋ยวฝนตกไปคนไม่ทันนะครับ ใครอยากจะถามอะไรไหมนน่มีก็จะตอบอยู่ไม่มีคำถามก็แสดงว่ า, าถามแล้วถามแล้วก็ต้องตอบคือตอบอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ก็จะตอบว่าความสุขของพวกเรา ความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ไหนบ้างความสุขความทุกข์ของพวกเราก็อยู่ที่สองที่อยู่ที่ร่างกายกับอยู่ที่จิตใจเป็นสองจุดที่เรารับความสุขรับความทุกข์กันและเหตุที่ทำให้เกิดความสุขและเกิดความทุกข์ ของทั้งสองจุดนี้ก็ไม่เหมือนกันความสุขความทุกข์ของทางร่างกายก็จากการมีปัจจัยสี่ครบหรือไม่ครบร่างกายถ้ามีปัจจัยสี่ครบคือมีอาหารมีเครื่องนุ่มหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัย ถ้ามีคราก็ร่างกายก็มีความสุขทุกวันนี้ที่เราต้องทำมาหากินก็เพื่อที่หาปัจจัยสี่กันหาอาหารหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยห า, หายารักษาโรคเพราะถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกอดความตายขึ้นมาได้เราจรึงไม่ต้องการมีความทุกข์ทางร่างกายเราจรึงต้องมีปัจจัยสี่วันหนึ่งเรารับประทานอาหารกันอย่างน้อยก็สามครั้งเพื่อให้ร่างกายมีความสุขเพื่อไม่ให้ร่างกายมีความทุกข์แล้วเราก็ ต้องคอยระมัดระวังดูแลร่างกายเราให้ปลอดภัยเวลาเดินก็ไม่ให้เดินหกลม้มเดินไปชนของแข็งของอะไรหรือถ้าไปเจอสัตว์ก็ต้องไม่ให้มันมากัดเราเพราะถ้าถูกสัตว์กัดมันก็เจ็บโดนสุนัข ก, กัดก็อาจจะ ตายได้ถ้าไม่มียาถ้าสุนักมีพิษพิษสุนักบ้าอยู่ถ้าโดนกัดร่างกายก็ติดเชื้อมาได้แล้วก็ตายได้หรือสมัยนี้เราก็สามารถถ่ายทอดเกืือโรคให้ต่อกันและกันได้ทางจมูกทางอากาศก็ได้ทาง เลือดก็ได้ทางอะไรหลายอย่างที่เรามาสัมผัสกันเราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราไม่อยากจะให้ร่างกายเราทุกข์ไม่อยากให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเรื่องของความสุขของทางร่างกายและความทุกข์ของทางร่างกาย ที่พวกเราคงจะรู้กันเพราะว่ามันเป็นของที่เราเห็นเห็นได้กับตาของเราเราพิสูจน์ได้ส่วนความสุขเอกชนิดหนึ่งนี้คือความสุขทางใจและความทุกข์ทางใจนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูแลเหมือนกับเราดูแลความสุขความทุกข์ทางร่างกาย ทางใจเราก็มีความสุขได้มีความทุกข์ได้ความทุกข์ทางร่างกายก็เกิดจากการกระทาความสุขทางใจก็เกิดจากการกระทำที่ทำให้เราไม่สบายใจเช่นการไปเสพบอบายามุขการไปดื่มสุรายาเมาเล่นการพนัน เที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรหรือความเกลียดชังการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราทุกข์ทางใจได้แต่เรามักจะมองไม่เห็นกันเพราะว่ามันมีความสุขโผล่ขึ้นมาก่อนคนที่ดื่มสุราเขาก็สุขเขาเห็นว่าเขาเวลาเขาไม่สบายใจบางทีเขาก็ใช้วิธีระงับ จับความไม่สบายใจด้วยการดื่มสุราแต่ก็ไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาตอนที่เวลาดื่มแล้วติดสุราและเวลาอยากจะดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่มสุราเวลานั้นเขาก็จะทุกข์มากแล้วก็ถ้าติดสุราก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งดื่มมากๆก็ทำให้ไม่ ไม่เป็นคนก็ปกติทำอะไรตามปกติไม่ได้เพราะจะเมาตลอดทั้งวันจะทำงานทำการก็ทำไม่ได้ก็จะทำให้ไม่มีรายได้ก็จะมากระทบกับความสุขทางความสุขทางร่างกายทำให้ไม่สามารถไปหาเงินหาทองมา <c oughs> เิี้ยงปากเลี้ยงทองได้มาจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่าง เอาเงินไปซื้อสุราดื่มเสียหมดพอถึงเวลาจะกินข้าวก็ไม่มีข้าวกินเวลาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าอะไรที่จำเป็นก็ไม่มีอันนี้คือเรื่องของการสร้างความทุกข์ให้กับทางจิตใจและทางร่างกายด้วยเพราะทำให้ร่างกายสุขภาพไม่ดี เป็นโรคทางตับไตเสุราพิสุรานี่จะไปทำลายตับไปทำลายตาไตทาให้ตายก่อนอายุอันควรอันนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งทา ง, ทางร่างกายและทางจิตใจทางจิตใจก็เวลาไม่ได้ดื่มสุราก็หงุดหงิดลำคาญใจแล้วก็อาละวาด เวลาได้ดื่มก็เมาแล้วก็อารว่าเด็กแบบหนึ่งนี่คือโทษของการดื่มสุราทําให้เกิดความทุกข์ทางใจและทางร่างกายเช่นเดียวกับการเล่นการพนันนถ้าเล่นการพนันแบบเป็นอาชีพเนี่ยไม่ยามทําอะไรไปเล่นการพนันอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดเนื้อหมดตัว พอเวลาได้ก็อยากจะได้ก็เล่นต่อเล่นต่อไปมันก็ต้องมีเสียเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกพอไม่ได้คืนก็ต้องขายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมาเล่นขายทรัพย์แล้วก็ต้องขายบ้านขายที่ดินพออยากจะเอาคืนแล้วก็อยากจะเล่นเล่นแล้วมันติดเวลาไม่ได้เล่นแล้วมันรู้สึก อ่าทรมานใจทุกข์ใจทรมานใจหงุดหงิเพราะว่าขโมยขึ้นบ้านสิบครั้งไปไหม้บ้านสิบครั้งก็ยังดีกว่าผีพนันดีกว่าเล่นการพนันเพราะเล่นการพนันนี่มันเอาไปหมดเลยสมบัติข้าวของเงินทองบ้านช่องที่ดินเอาไปหมด ไปไม่บ้านมันยังไม่ได้ไม้ที่ดินะที่ดินยังมีอยู่ขโมยขึ้นบ้านก็าแต่ของไปเอาบ้านเอาที่ดินไปไม่ได้แต่เล่นการพนาด น, นี้หมดเนื้อหมดตัวและอาจจะหมดชีวิตด้วยเพราะถ้าไปเล่นแล้วไปกู้หนี้ยืมสินจากพวกอันธพานเวลาไม่มีเงินคืนเขาเดี๋ยวเขาก็มาตามทวงเนี่เอาไม่มีเงินคืนให้เขาเขาก็ฆ่าเราะ นี่คือเรื่องของอบายมุขเที่ยวกลรงคืนก็เหมือนกันความเกลียดค้านก็เหมือนกันของการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดเงินทองไม่ได้เกิดรายได้มีแต่เกิดรายจ่ายมีแต่เสียเงินเสียทองไปแล้วจะทำให้หมดเนื้อหมดตัวเรื่องเงินทองไม่พอใช้แล้วก็จะทำให้ไปทำบาปอีกไปลักขโมยไปช่อกโกง ไปโกหกหลอกลวงออหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเวลาไปไปป้นไปป้นธนาคารไปป้นร้านค้าทองเดี๋ยวเจ้าของร้านเขามีปืนเ้าก็ยิงต่อสู้กันเดี๋ยวตำรวจตามมาก็ยิงกันไปก็ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรานี่คือวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจนะ กับทางร่างกายด้วยพงค์ต้าเจ้าจึงสอนให้พวกเรวทีตว่ต้องการความสุขใจไม่ต้องการความทุกข์ใจให้หลีกเลี่ยงการเสพ บ, บายามุขอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีที่ชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวชอบดื่มสุรา มีความเกียรติคานมาเป็นเพื่อนก็พ อ, พอถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปทําในสิ่งที่เขาชอบทาเขาชอบดื่มโุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มโุราเขาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็ชวนเราไปพวกนี้เขาจะเกียดติคานไม่ชอบทำงานกันชอบเที่ยวชอบเล่นงินซึ่งมีแต่เสียเงินเสียทอ นี่คือเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจและเกิดความทุกข์ทางร่างกายด้วยถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจนี้นอกจากนี้ก็อย่าไปทําบาปอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวไอ้ีพูดปดอันนี้ก็เป็นการกระทําที่จะทําให้ใจเราทุบ ไม่ใช่ทําให้ใจเราสุขนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ใจเราทุกข์ก็คือการมีความโลภความโกรธความหลงการมีความอยากต่างๆอันนี้ก็จะทําให้เราทุกข์กันเวลาเราโลภอยากได้อะไรนี้เราจะอยู่ไม่เป็นสุขใจเราจะกังวนกวนังวลกระสับกระสายอยากจะได้ ได้รูปเสียงกลิ่นรสได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอได้มาแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งที่เราได้อีกเพราะสิ่งที่เราได้เดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดไปก็ทุกข์อีกเช่นเวลาอยากจะได้แฟนอย่างนี้เวลาอยู่คนเดียวมันก็ทุกข์เพราะมันเหงาไม่มีความสุข ก็อยากจะมีแฟนมีคู่เพราคิดว่าเวลามีแฟนมีคู่แล้วจะมีความสุขพอได้แฟนมาแล้วก็ต้องมาทุกขกับแฟนนะเพราะเมื่อรักแฟนก็จะรักจะหวงจะห่วงไปมาคุยกับแฟนหน่อยก็ไม่สบายใจละเวลาไม่เห็นหน้าตาแฟนไม่รู้ไปไหนก็ห่วงละ และเวลาเลือกกันหรือตายจากกันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจอันนี้คือความทุกข์ที่เกิดจากการทําตามความโลภทําตามความอยากพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปทําตามความโลภทําตามความอยากอย่าไปอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาความสุขทางร่างกายเพราะมันจะทําให้เราต้องทุกข์ทีหลัง เพราะของที่เราได้มานี่มันจะต้องมีวันจากเราไปของที่เราเสพทางตาหูจมูกเล่นกายก็เหมือนกันเสพแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอดูดูอะไรฟังอะไรดื่มอะไรกินอะไรกินเสร็จมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินใหม่ดื่มใหม่อยากดูใหม่อยากฟังใหม่ อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่เวลาไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านก็หงุดหงิดลำคาญใจเวลาไม่ได้ดูละครที่เราชอบก็ไม่สบายใจนี่คือวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจคือการกระทำตามความโลภตามความอยากแล้วก็จะทำให้เราโกรธความโกรธก็ไม่สบายใจ เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธไปยืมเงินเพื่อนยืมเงินพี่น้องเขาไม่ให้ยืมก็โกรธเขาอยากได้เงินแต่ไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้เองก็เลยไปขอยืมคนนั้นขอยืมคนนี้พอเขาไม่ให้ยืมก็โกรธเขาอีกนี่คือวิธีสร้างความทุกข์ใจ องค์ตเจ้าบอกให้เลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้อย่าไปกระทำมันแล้วให้มากระทำวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขใจวิธีที่ทำให้เกิดความสุขใจก็คือให้เราทำบุญกันเงินทางที่เรามีอยู่นี้อย่าเอาไปเล่นการพนั้นอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นของฟุ่มเฟือยของที่ เราอยากได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีเราอยากจะมีความสุขด้วยการใช้เงินเอาเงินนี้มาทําบุญเอามาทาทานให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้กับวัดกับพระเพียงอย่างเดียวให้กับคนใกล้ตัวเราก็ได้ให้กับพ่อกับแม่ก็ได้ถ้าพ่อแม่ลำบากอดอยากขาดแคลน ก็ให้เรามีเงินมีทองก็ให้พ่อให้แม่ไปใช้เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาให้คนที่เขาเป็นเดือดร้อนช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนแก่คนพิการเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าอุ ป, ปถัมภ์เลี้ยงดู อย่างนี้ก็เป็นบุญทำแล้วไม่มีโทษการทำอย่างนี้จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำบาปให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาการไม่ทำบาปจะทำให้เราสบายใจ เวลาเราทำบาปเราจะไม่สบายใจเช่นถ้าเรามีแฟนแล้วเราไปแอบมีอีกคนหนึ่งอย่างนี้เราจะไม่สบายใจกลัวแฟนเขาจะจับได้กลัวแฟนเขาจะรู้ว่าเราไปแอบมีแฟนใหม่แต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันรักเดียวใจเดียวเราจะมีแฟนอย่างมีความสุข จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกันไม่มาหวาดระแวงกันนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลของการไม่ทำบาปจะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับการกระทำบาปแล้วประการสุดท้ายในการที่จะทำให้เรามีความสุข <c oughs> ก็คือมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศีลแต่มารัก มานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดการที่จะปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นจะต้องถือศีลแปดกันเพราะถ้าไม่ถือศีลแปดไม่มีข้อห้ามไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เราก็จะไปทากิจกรรมอย่างอื่นกันแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมเราก็จะไปดูหนังดูละครไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวหรือแหล่งบันเทิงต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่้งกายไปร่วมหลับนอนกับแฟนไปกินเนื้อกันยามราตรีกินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าออาผ่อนด้วยเครื่องสาอางด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆและนอนบนฟูกหนาๆนอนทำไมไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเพราะมันจะนอนมากเกินไปถ้านอนบนพื้นแข็งนี่มันจะนอนไม่มากมันจะนอนพอพอให้ร่างกายได้พักผ่อน ร่างกายเวลาเพียงมากๆง่วงนอนนี่นอนที่ไหนก็ได้นอนบนฟูกก็ได้นอนบนพื้นแข็งๆก็ได้นอนหลับเหมือนกันแต่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วมันจะลุกหรือไม่ลุกถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะไม่อยากลุกมันสบายมันก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอน เพราะมันไม่สบายวิธีที่เราจะเอาเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าไม้นเราจะเอาเวลาไปใช้กับของความสุขทางร่างกายกันซึ่งเป็นความทุกข์ที่จะตามมาทีหลังเอาเวลาที่จะไปดูละครมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเอาเวลาที่จะไปนอนกับแฟนมาปฏิบัติธรรมกัน เอาเวลาที่จะไปเที่ยวตามแหล่งมันเทิงเอาเวลาที่จะไปงานเลี้ยงต่างๆงานแต่งงานงานวันเกิดงานอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันเพราะการจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ได้ผลนี่ต้องใช้เวลามากไม่ใช่แค่นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็จบ อันนี้ยังไม่เรียกว่าปฏิบัตินะอันนี้ถ้ากินข้าวก็เป็นเหมือนกับชิมเท่านั้นเองชิมอาหารถ้าจะกินอาหารนี่มันต้องนั่งแล้วตักเข้าปากกินก็ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มนั่งสมาธิทีละครึ่งชั่วโมงนี้วันละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งนี่มันเหมือนกับไปชิมอาหารไปชิมรสของความสงบแต่ยังไม่ได้กิน อ, อยากจะกินนี้ต้องปฏิบัติทั้งวันเนี่ยเช่นวันพระนี่ลองมาถือศีลแปดกันดูตื่นเช้าก็สมาทานศีลแปดเลยว่าวันนี้จะไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วจะไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายไม่หลับนอนกับแฟนไม่นอนมวนฟุกน้กหนาหนาเช่นไปอยู่วัดเนี่ย ไปนุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่ไม่ต้องเสริมผ ม, เ ส, มเสริมสสวยไม่ต้องทำผ้าทำผมไม่ต้องทาหน้าทาปากเสียเวลาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมมาเดินจงกรมจเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ อันนี้แหละจะเป็นการสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับใจและดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความโลภความอยากต่างๆได้หมดดับความทุกข์จากการไปทําบาลดับความทุกข์จากการไปเสพอบายามุขต่างๆเพราะผู้ที่ปฏิบัติได้ผนแล้วจะไม่มีความหิวกับเรื่องการเสพอบายามุขจะไม่มีความอยากจะทําบาปทํากรรม จะไม่มีความอยากได้อะไรจะไม่อยากมีแฟนจะไม่อยากไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆจะชอบอยู่คนเดียวชอบนั่งสมาธิชอบฟังธรรมะชอบเดินจงกรมชอบบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธควบคุมใจรักษาใจให้สงบไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องราวต่างๆ นี่แหะเป็นวิธีสร้างความสุขทางใจระดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปและทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปด้วยผู้ที่มีความสุขทางใจแล้วจะไม่หิวกับความสุขทางร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ต้องมีร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ พวกที่ยังต้องหาความสุขทางร่างกายอยู่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังอยากหาความสุขทางร่างกายต่อยังอยากมีแฟนใช่ไหมสมมติตอนนี้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเลิกกันคิดว่าจะไม่มีแฟนต่อไปหรือเปล่าพอไม่มีแฟนคนนี้เดี๋ยวก็หาแฟนคนใหม่เองใช่ไหมเพราะใจมันอยากอยถ้าตายจากกัน ความอยากมีแฟนมันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่เพือ่อจะได้มามีแฟนใหม่ที่มาเกิดกันนี้ไม่ได้มาเพราะอะไรหรอกพออยากมามาอยากจะมีแฟนกันอยากจะเที่ยวกันอยากจะกินขนมกันอยากจะดื่มเครื่องดื่มกันอยากจะดูหนังฟังเพลงกันเนี่ยเนี่ยทําให้พวกเรากลับมาเกิดกันรู้ปะความอยากเหล่านี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันอยู่กับใจ แล้วใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้มีความอยากใจเป็นผู้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากดูก็ไปหาอะไรมาดูอยากฟังก็ไปหาอะไรมาฟังแต่ถ้าไม่มีร่างกายจะดูได้ยังไงจะฟังได้ยังไงไม่มีก็ต้องไปหาใหม่ไปเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เนี่ย เอเกิดมานี่ต้องมีใครสอนั้มว่าไปหาแฟนพ่อแม่เคยสอนให้ไปหาแฟนไ้ไเคยสอนให้ไปดูไปฟังไปอะไรบ้างไหมนี่แต่จะหนีออกไปหาเองนะพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยพ่อแม่มีแต่คอยห้ามว่าอย่าพึ่งไปมีแฟนอย่าพึ่งไปเที่ยวอย่าพึ่งไปเล่นไปเรียนหนังสือก่อนของดีๆไม่ชอบก่อนชอบของไม่ดี เขาเคยชอบมาอยู่เรื่อยๆชอบมาจะติดเป็นนิสัยนถ้าชาติก่อนเคยชอบดื่มสุราเดี๋ยวก็ไปหาสุรามาดืม่มเลยถ้าชอบเล่นการพนันเดี๋ยวก็ไปหาเล่นการพนันกันชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยวกันเนี่ยการกระทําของเรามันทําแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปนถ้ามาชอบนั่งสมาธิชอบฟังเทศฟังธรรม เวลากลับมาเกิดใหม่ถ้ายังไม่บรรลุยังไม่สำเร็จก็จะมาชอบทำทาบุญกันชอบรักษาศีลกันชอบนั่งสมาธิกันชอบฟังเทศฟังธรรมกันเป็นความชอบของเราเกิดจากการกระทำของเราที่เราทำจนติดเป็นนิสัยมาไม่ต้องสอนกันของพวกนี้มันฝังอยู่ในใจเราพอมีโอกาสปั๊บนี้มันจะทำตามที่เราชอบทันที คนชอบเข้าวัดก็พอเจอวัดก็จะเข้าวัดเลยคนชอบแฟนนี่ก็จะหาแฟนอยู่เรื่อยๆไม่เข้าวัดคนชอบเล่นการพ น, นันก็จะเข้าบอ่อนคนชอบดื่มสซราก็จะเข้าบาร์กันอันนี้เป็นนิสัยที่ดีและไม่ดีติดติดตัวเรามาถ้าเรารู้ว่านิสัยไหนไม่ดีเราเลิกได้ เราต้องฝืนต้องบังคับใจถ้าเราชอบดื่มสุราแล้วเรารู้ว่าเออดื่มแล้วมันทําให้เราแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นเราก็ต้องฝืนเวลาอยากจะดื่มก็อย่าดื่มเวลาอยากดื่มสุราก็ดื่มน้ําเปล่าแทนทำนี้ไปฝืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลิกดื่มสุราได้แต่ต้องเห็นโทษของมันถึงจะเลิกได้อย่างถาวร เราเห็นว่าการดื่มชานี้เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตเรากับร่างกายเรากับจิตใจของเราแทนที่จะให้เรามีความสุขกับมีความทุกข์ถ้าเราเห็นมันเป็นทุกข์เราก็จะเลิกได้ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราก็เลิกไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าการมีแฟนเป็นสุขเราก็จะเลิกมีแฟนไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าการมีแฟนนี่มันทุกข์เหลือเกินเราก็จะเลิกได้ พอคนเราจะเข็ดไงถ้ารู้ว่ามันทุกข์มันจะเข็ดถ้ามันยังสุขอยู่มันไม่เข็ดนะฉะนั้นถ้าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราทําแล้วเราเห็นว่ามันไม่ดีเห็นแล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็จะเลิกทาได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามคนที่รู้หรือให้คนที่รู้สอนอย่างวันนี้เรามาหาพระพุทธเจ้ามาหาคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน พระพุทธเจ้าชั้นรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับชีวิตจิตใจของพวกเราท่านจึงสอนพวกเราให้ละการกระทําที่เป็นโทษแล้วให้ทําการทําในสิ่งที่เป็นคุณกันการกระทําที่เป็นโทษก็คืออบายมุข ก, การทําบาปความโลภความโกรธความหลงความอยากมีแฟนความอยากร่ำ อ, อยากรวย ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจเราทุกข์กันการกระทำบาปก็จะทำให้เราทุกข์การเสพอบายามุข ก, ก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราเคยชอบเคยทำสิ่งเหล่านี้ให้มาฝืนกันยังชอบโลภกันอยู่ไหมยังมีความโลภอยู่ไหมมีความโกรธอยู่ไหมมีความโงอยู่ไหม ไปวุ่นวายใจที่ร้องห่มร้องห้า้กันก็นเพราะความโลภความโกรธความหงงนี่แหละไม่ได้เพราะอะไรหรอกไปหลงคิดว่าเขาดีกับเราพอเขาทิ้งเราเราก็เสียใจนะไม่มีใครเขารักเราจริงหรอกมีเราเท่านั้นะที่รักตัวเราจริงๆริงคนอื่นเขารักตัวเขามากกว่ารักเราพอเขาอยู่กับเราแล้วเขาเป็นทุกข์เขาก็ไม่อยู่กับเราแล้ว พออยู่กับเราเดี๋ยวเราก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไปขอนน่นขอนี่อย่างเขาเขาก็ลำคายเขาไม่อยู่ดีกว่าเราก็ไปเราก็เสียใจนี่แหละคือสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับเราคือความโลภความอยากต่างๆความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี ของในโลกนี้ทุกอย่างพระเจ้าเจ้าบอกไม่มีอะไรดีเลยมันทุกข์ทั้งนั้นเน่ะอย่าไปมีดีกว่าอย่าไปหาอะไรหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มันไม่ดีเพราะอะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันวันดีขึ้นดีมันก็เปลี่ยนไปได้คนดีๆกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาก็ได้คนที่เคยพูดหวานหวานกลับมาพูดจาหยาบคายก็ได้ คนที่คอยให้เรานู่นให้นี่วันดีคืนดีไม่มีอะไรให้เราก็ได้มีแต่จะเอาอะไรจากเราเสกนี่มันไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ค้อนเป็นของเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นกัน พวกเราไม่มองกันไม่คิดกันคิดแต่ว่ามันจะดีอย่างเดียวคิดว่าได้อะไรมาแล้วจะให้มีความสุขอย่างเดียวได้นูในนี่นนนมาแล้วจะมีความสุขะแต่ไม่เห็นเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปอเวลามันหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเนี๋ยวเราต้องมาหาคนที่รู้ มาสอนพวกเราให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณเราจะได้มาทำกันทำบุญกันแท น, นที่จะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากเอาเงินไปทำบุญจะดีกว่าถ้าไม่เอาไปซื้อของจะเก็บไว้ใช้ตามความจําเป็นก็ไดไ้ไม่ต้องทำบุญก็ได้ถ้ายัางเสียดายเงินยังอยากเก็บไว้ เพราะเผื่อวันพรุ่งนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องอาศัยเงินทองที่เรามีอยู่นี้ถ้าเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเก็บไปได้แต่ถ้าจะเอาไปใช้ตามความอยากกาเอาไปใช้ถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ทำบุญดีกว่าเพราะบุญนี้ก็มีประโยชน์ทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจ แล้วเงินที่เราทํานี่ก็เป็นของเราเราเอาติดตัวไปได้เวลาไปเราก็จะได้ไม่เป็นไม่ต้องไปเป็นขอทานทางทางทางทางจิตวิญญาณทางโลกทิพย์โลกที่ไม่มีบุญติดตัวไปก็เป็นขอทานที่มารารับส่วนบุญเนี่ยพวกที่มารารับส่วนบุญนี่แสดงแสดงว่าเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทําบุญเลยแล้วพอตายไปเลยไม่มี บุญติดตัวไปบุญก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราไปใช้เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ <filler> ถ้าเราไม่เตรียมเงินทองไว้เดี๋ยวเวลาไปก็ไม่มีเงินติดตัวไปเวลาตายไปก็เหมือนเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเอาบุญไปเพราะเอาเงินทองไปไม่ได้เราต้องเอาเงินทองมาเปลี่ยนเป็นบุญเหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศเราก็เอาเงินไทยไปเปลี่ยนเป็นเงินของประเทศที่เราจะไป เงินของไทยนี้ไปใช้ประเทศเขาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์การทําบุญทําให้เราตายไปแล้วจะได้ไปเป็นเทวดากันแทนที่จะไปเป็นขอทานขอทานเขามีชื่อว่าเปรตไงพวกเปรตนี่ก็คือพวกขอทานไม่ทําบุญไม่รักษาศีลตายไปก็เป็นเปรตถ้าทําบุญรักษาศีลตายไปก็ไปเป็นเทวดา แล้วพอกลับมาก็ยังมาเบิกเงินที่เหลืออยู่ในธนาคารได้กลับมาก็จะเกิดมาร่ำรวยไม่ยากจนเรามีเงินทองที่เราได้เอาไปทำบุญอันนี้ก็จะรอเราอยู่เวลาเรากลับมาเกิดใหม่คนเราจึงมาเกิดรวยจนไม่เท่ากันไงว่าชาติก่อนทำบุญมาหรือไม่ทำบุญมาไม่เท่ากันอาให้ชาตินี้มาเกิด รวยจนไม่เท่ากันถ้าอยากจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์เอาไปทำบุญอย่าใช้เงินให้เป็นโทษถ้าเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของไม่จาเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราอันนี้เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดซื้อแล้วก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเห็นอะไรชอบก็ต้องซื้อ เห็นรองเท้าชอบก็ซื้อเห็นกระเป๋าชอบก็ซื้อเห็นเสื้อผ้าชอบก็ซื้อทั้งๆ ท, ที่มีอยู่เต็มบ้านอยู่แล้วแต่อดไม่ได้ความใจมันคันไงถ้าไม่เกาแล้วมันจะไม่หายคันถ้าไม่ซื้อแล้วไม่หายคันพอซื้อแล้วก็หายคันไปชั่วคราวอัะเดี๋ยวพอออกไปเที่ยวใหม่ไปเดินห้างใหม่เจออีกแล้วเห็นอีกแล้วคันขึ้นมาอีกแ วิธีที่จะแก้คันก็คือเอาไปทำบุญนะเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของไม่จำเป็นนี้ก็เอาไปทำบุญดีกว่ามีประโยชน์กว่าทั้งปัจจุบันใจก็จะไม่จะได้ไม่ติดกับการซื้อของไม่จาเป็นต่างๆไม่ติดกับการไปเที่ยวแล้วจะทำให้เราเข้าวัดบ่อยเราจะทำให้เราได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมต่อไปได้ ไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่โดยการดับความโลภความโกรธความหลงดับความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจใจของเราถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากราจะมีความสุขมากนี่ละคือความสุขที่แท้จริงของพวกเราอยู่ตรงที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลง อยู่ที่ไม่มีความอยากต่างๆนี้ถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเสพะบายมุขไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นใจมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ทุกครั้งที่เกิดจะต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาเวลาแก่มันดีมไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยดีไหมไปโรงพยาบาลดีไหมไปให้หมอเข้าผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้นันน่นแหละถ้ามาเกิดก็ต้องโด น, นทุกคนแหละโดนมากโดนน้อยที่กลับมาเกิดก็เพราะยังทําตามความอยากทําตามความโลภ ก, กันอยู่ น, นั่นเอง อยากกินก็กินแลวอยากดื่มก็ดื่มเลยอยากดูก็ดูกันเลยพอตายไปความอยากมันไม่หมดมันก็อยากกลับมาดื่มกลับมากินใหม่มันก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าน้ำตาที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยที่เกิดจากความทุกข์เนี่ยที่เราร้องไห้กันเนี่ย ถ้ามารวมกันในแต่ของแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมันมากกว่ายิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรสิเข็ดดีต้องเกิดมาร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้มีน้ําตาเท่ากับน้ํามากกว่าน้ําในมาหาสมุทรนะนั่นแหละคือการจํานวนปริมาณของภพชาติของพวกเราที่เราได้เกิดแก่เจ็บตายกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วนั่นก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปที่จะสอนให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายด้านนี้ยังถือเป็นชาติวิเศษเพราะนานๆจะมีจะมาได้พบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเกิดมาทุกครั้งจะได้มาเจอพระพุทธศาสนานานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครัง้งหนงนานๆจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้สักครัง้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไม่นานอย่างศาสนานี้ก็อยู่ไม่เกินห้าพันปีก็เราตายไปนี่ข่าวต่อไปจะมาเป็นมนุษย์นี้ไม่รู้อีกกี่พันปีนะไม่ใช่ตายพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาเกิดใหม่ ต้องไปใช้บาปใช้บุญนีกไม่รู้กี่ครั้งฆ่าสัตว์กี่ตัวก็ต้องไปเป็นสัตว์กี่ครั้งเนะี่ยฆ่าปลาฆ่านกฆ่าอะไรต่างๆนี่ฆ่ามดฆ่ า, มาแมลงเนต้องกลับไปเกิดเป็นมดเป็นมแมลงไปก่อนไปใช้กรรมก่อนใช้บาปก่อนจนกว่าจะหมดเนะนี่ยถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครับมาคราวหน้าอาจจะไม่มีาศาสนาพูดอยู่แล้วก็ได้ หรือกลับมาเกิดในที่ประเทศที่ไม่มีาศาสนาก็ได้ก็จะไม่มีใครสอนใครบอกหรือกลับมาเกิดในาศาสนาก็ไม่สนใจก็ได้เหมือนกับตอนนี้ก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามจริงๆจังๆมาปฏิบัติพอหอมปากหอมคอมาปฏิบัติเพื่อทําให้ใจสบายวันสองวันก็พอละตอนนี้ทุกใจก็มาปฏิบัติกัน พอหายทุกใจก็กลับไปทำเหมือนเดิมอีกกลับไปหาความทุกข์อีกพอทุกข์อีกก็กลับมาอีกเหมือนกับเข้าโรงพยาบาลนักษาพอไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลพอหายแล้วก็กลับไปไปหาความทุกข์กันอีกไปหาโรคภัยไข้เจ็บกันอีกมันต้องเข็ดเลยพอเข้าโรงพยาบาลนักษาแล้วก็อยากกลับไปทำแบบเดิมอีก คนที่เขา เ, เข้ามารักษาทางใจทางธรรมนี้ท่านก็รักษาหายแล้วเขา <c oughs> ไม่เขาเก็บเขาไม่กลับไปทําอย่างเดิมอีกแล้วเพราะเขาไม่อยากจะทุกข์ใจเหมือนที่เขาทุกข์กันเพราก็รู้ว่าทุกข์เพราะไปทําบาปเขาก็เลิกทุกเขาก็เลิกทําบาปกันทุกข์เพราะไปเสพใบยาเมุกเขาก็เลิกเสพกันทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงทุกข์เพราะความอยากเขาก็เลิกความโลภความโกรธความหลงกันเลิกความอยากกันแล้วเขาก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป ดังนั้นก็ขอให้เราคิดถึงโอกาสอันวิเศษคิดถึงวาชนาคิดถึงโชคของพวกเราที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จะสอนให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่ยตอไปที่จะสอนให้เราไม่มีความทุกข์ใจที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราที่จะสอนให้เรามีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใจเรานี้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าใจเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขตอนนี้พวกเราไม่มีความสุขที่ใจกันเราเลยต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขมาให้แต่ความสุขที่เราได้มามันมีความทุกข์ตามมาด้วยแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีความทุกข์ใจตามมา จะมีแต่ความสุขไปตลอดดังนั้นเราควรที่จะใช้โอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้มาฟังคงําสอนของพระพุทธเจ้าให้บ่อยๆให้มากๆเพื่อที่จะได้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความทันทะความยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะ เพราะว่าถ้าเราเกิดความเชื่อเกิดศรัทธาแล้วเกิดฉันทะแล้วเราก็จะปฏิบัติได้เราจะทำได้มันไม่ยากถ้าเรารู้ว่าการกระทาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราเป็นการให้ความสุขที่แท้จริงกับพวกเราเป็นการทำลายความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปหมดเราก็จะอยากปฏิบัติกันอยากจะกระทากันอยากจะถือศีลแปดกันอยากจะไปอยู่วัดกัน อยากจะทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่เพราะมันเป็นทุกข์ไปอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าค่ทำใจให้สงบไปฆ่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีและภาษาวกทั้งหลายมีกันตอนนี้ท่านก็ยังมีความสุขอยู่เพราะท่านไม่ต้องมีร่างกาย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 จันโทปะนะระโสยะามณนโจติระโสยะาสัพพติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังุถาปจายโน จตารธุธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลาใครมาที่หลังอยากจะได้หนังสือซีดีหรือไม่อยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะใครมาก่อนอยากจะกลับก็กลับได้ ใครจะอยู่ต่อฟังฟังสนทนาถามต่อก็ได้เดีย๋ยวมีสนทนาถามต่อมีคำถามคำถามคำถามคามคตอบอีกอ่าไปเลยไปเครับถวายขอบเชิญได้เลยครับขึ้นด้านโนเลยครับไป เ, เล ย, เลย ของวางไว้ตรงนี้เลยของมาวา ง, วางมาวางไว้เลยมาวางไว้แล้วใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้ใครเป็นคนนั้ น, นั้งสื้อชุดใหม่มาแนนเนี่ยเอ่าาเอามากิ่เล่นมามาห้ารอยเล่มคะ่ะเอ่อใคร เคยถวายหนัองสือหรือเปล่าเคยถวายค่ะอถวายเล่มไหนมาก่อนนะก็มีหลายเล่มค่ะเล่มถ้าเป็นของหลวงตามอาบัวจะเป็นอ่าธรรมชุดเตรียมพร้อมอแล้วก็มีเล่มที่พิจารณาอสุภะกายคาตาสเปกค่ะอือเป็นสีสีค่ะอ๋อดีอ่ะอ네่อดีอมตนาสาธุค่ะกขอบพรคุณค่ะอ มีนังสือเล่มใหม่ม า, านะอันนี้ประวัติหลงปูกขาวนี่ค่ะขออาออกไปได้ก็แจกไม่ต้ขอ อ, อนุญาตแล้วก็ให้นะ้วา อ, อ, อ, อยากจะได้ก็ไปทีดีก็กไปได้ เอาเข้ามาได้เลยเอามาของวางไว้ตรงนี้เลยเอาซองไว้ตรงนั้นของไว้ตรงนี้ท่าชายไว้ตรงนี้หนังสือซีดีก็หยิบเอาหยิบได้ทุกเล่มเลยหยิบได้ทุกเล่มเลยขอยงแจก เป็นธรรมทานไม่ต้องเกรงใจถ้าไปอ่านเอาไปได้นะถ้าไปแจกยาาไปไม่ให้แจกให้เอาไปอ่านบางคนชอบเอาไปแจกมันต้องแจกว่าเราแจากได้ไม่อม ซีดีหยิบได้นะอหยิบไปเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมมีทั้งของทำบ้านและของที่นี่ที่นี่ใครอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยพอเดี๋ยวเลิกประชุมแล้วก็จะไม่ให้ถามนะถามจะไม่ตอบนะอย่างใช่จะถาม ตามช่วงนี้เลยอะเดี๋ยวมีคนจะมาถวายของก่อนเอาเข้ามาเลยนะเชิญเลยครับถวายของเชิญได้เลยครับเข้ามาได้เลยช่วงนี้ก็ให้มันเสร็จเรียบร้อยไปก่อนนี้น่ได้เลย ก็ใครไม่ทราบว่าที่นี่มีถ่ายทอดสดทุกวันนะทาง youtube กับทาง f a c e b o o นะนะต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะบ่ายสองโมงถึงสี่โมงทุกวันถ้าคนถ่ายทอดมาถ่ายนะ <c oughs> ถ้าเกิดคนถ่ายทอดไม่มาก็คนแสดงก็ถ่ายไม่ได้นะเรามีหน้าที่แสดงอย่างเดียว คนไทยก็ต้องมารับทุกคุณยยมเมืม่อกี้อยากจะถามอะไรเหรอพูดดังๆหน่อยเสียงจะได้คนฟังที่บ้านจะได้ยินด้วย ก็ได้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวเอาที่อื่นกันได้คนอื่นกันกันได้ใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางทางบ้านทางบ้านมีเข้ามาแล้วใช่ไหมทัา้งถามจากผู้ปักถามเด็กช่วงวัยรุ่นชั้นมัธยมที่มักธําตามอําเภอใจไม่ดูแลร่างกายตนเองนอนเกินสี่ทุ่ไม่ทบทวนเรื่องเรียนทั้งที่มีโอกาสทําให้เป็นเลิศ โดยมักประมาทว่ารู้แล้วหมกมุ่นกับเกมและโซเชียลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของสังคมเมื่อเตือนแล้วจะห ง, งุดหงิดโกรธไม่พอใจขอเรียนถามว่าถ้าทำเหตุดังกล่าวเหล่านี้ผลที่จะได้รับในชาตินี้และอุปนิสัยจะติดไปชาติหน้าจะมีผลอย่างไรคะก็เคยทำอะไรมันก็จะติดเป็นนิสัยไปไม่มีวินยัยมันก็จะไม่มีวินัยไปเรื่อย ไม่ขยันเรียนมันก็จะไม่ขยันเรียนทําอะไรแล้วมันก็จะติดไปเหมือนเราเคยถนัดมือขวาตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะใช้มือขวาไปถนัดซ้ายกลับมาเกิดก็จะใช้ซ้า ย, ยางั้นถ้าเราเห็นว่าไหนไม่ดีเราต้องอแก้ถ้าเป็นลูกของเราเราก็ต้องหาหาวิธีแก้ถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ดื้อไม่ฟังสอนไม่ได้ก็ต้องส่งไปโรงเรียนกินนอนแทน ไปโรงเรียนกินนอนแล้วมันดื้อไม่ได้เขามีกฎมีระเบียบถ้าดื้อเขาก็ไม่ให้เรียนถ้าเขาเรียนอยู่โรงเรียนกินนอนไม่ได้ก็ถือว่าอนาคตเขาก็ก็ลําบากนะเพราะเขาจะไม่มีวินัยในตัวเขาเองเขาจะเรียนไม่จบแล้วต่อไปทํางานก็หางานดีๆทําไม่ได้ เราก็ควรจะวาดภาพให้เขาเห็นอนาคตของเขาว่าถ้าเขาทำทาตัวอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรให้เขาเห็นคุณเห็นโทษของการกระทำที่ดีกับการกระทำที่ไม่ดีว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเขาไม่เอาฐานเขาก็ยังจะทำตามนิสัยเดิมของเขาก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเราอย่าไปหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเรา คิดว่าเขาเป็นคนมาขออาศัยอยู่บ้านเราอาศัยท้องเราอยู่เราก็ทำหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ดีที่สุดก็คือให้สิ่งที่ดีต่างๆกับเขาแต่ถ้าเขาไม่เอาเขาจะเกเอเขาจะเสภก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีเรามาอยู่ด้กันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันเรื่องอะไรเราจะต้องมาทุกขกับกันทำไม ทุกไปก็ไม่ได้อะไรอยู่อยู่กันแบบฉลาดอยู่แบบปล่อยวางดีกว่าทำหน้าที่ของเราแล้วก็จบเขาจะทำไม่ทำตามก็เรื่องของเขาข้อต่อไปคำถามจากทาง Facebook ไลฟ์นะครับจากคุณเกียรติศักดิ์นะครับเวลาบริกา ร, รพุทโธบางครั้งก็แวะไปคิดเรื่องอื่น แต่พอรู้สึกตัวก็กลับมาพุโทโธอีกต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่ามันจะสงบโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสงบเมื่อไหร่ใช่มันจะสงบก็ต่อเมื่อเรามีพุโทโธอยู่นะถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องไม่นานันก็สงบได้ที่มันไม่สงบสักทีก็เพราะว่ามันแวบไปคิดเรื่องนั้นแวบไปคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็ต้องพยายามดึงให้อยู่กับพุโทโธให้มากตอนเริ่มต้นมันก็เป็นเหมือนกับแม่ง แบ่งเวลากันเริ่มต้นอาจจะพุทธโทสักสิบเอร์ซ็นไปคิดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตต่อไปถ้าอาจจะเพิ่มเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตยี่สิบแปดสิบต่อไปสามสิบเจ็ดสิบเนี่ยต่อไปถ้าพุทธโทมีกำลังมากขึ้นจะอยู่กับพุทธโทได้นานขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเองคำถามจากคุณแพทนะครับลูกอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเวลานอนหลับนอนกัดฟันตลอดเวลา จนฟันสึกเกิดจากความเครียดการฝึกนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมคะลองดูเลยเขายังนั่งได้เปล่าคำถามจากคุณแม่นะครับอยากฟังตอนพระอาจารย์อยู่กับหลวงตาและตอนมาปฏิบัติเองเป็นอย่างไรบ้างคะในด้านอุปสรรคและทางแก้ไขอย่าไปสนใจเรื่องของเราเลยสนใจเรื่องของคุณดีกว่า <Hat> คุณปฏิบัติอย่างไรตอนนี้คุณปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ดูตัวเองดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขาจะดีจะชั่วเขาก็มันก็ไม่ได้มาทําให้เราดีเราชั่วด้วยหรอกถ้าอยากจะรู้เราก็มีประวัติคข้าวๆให้อ่านแล้วไปอ่านในหนังสือที่เรียกว่ามหาเศรษฐีที่แท้จริงอันนั้นก็จะมีประวัติคข้าวๆให้ฟังถึงเส้นทางเดินเข้าสู่ พระพุทธศาสนาว่ามาอย่างไรไปอย่างไรถ้าอยากจะรู้อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นดีกว่าก็ไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์มีให้ดาวน์โหลดหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่ขาวเนี่ยครูบาอาจารย์สุดยอดเอาประวัติของท่านดีกว่าให้เรามันเป็นเพียงแต่แค่อที่ฝุ่นของท่านนั่นเอง คำถามจาก youtube คำถามจากคุณอุ้ยการที่ติดรวมนี้เป็นอย่างไรเมื่อเราถึงสภาวะนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรถึงระดับไหนจิตถึงจะถอนออกถอนออกมาเองหรือเราบังคับถอนออกมาเพื่อมาเดินทางปัญญาอก็สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นตอนนี้คุณปิดตาอยู่ไม่บอกให้คุณว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงบอกไปจนปากเปียกปากฉีดคุณก็ไม่รู้อยู่ดี คนพุทธโธอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวก็รู้หมดคําถามที่คุณถามทุกอย่างเนี่ยมันจะตอบด้วยพุโทโธนะขอให้มีพุโทโธเราเลิอกอยู่เรื่อยๆเอาสักชั่วโมงเดียวเท่านะั้นนะเมื่อวานนี้ก็เราให้ไปทดลองดูนะด้ารียังนั่งให้อยู่กับพุโทโธหนึ่งหนึ่งชั่วโมงไม่พิดเรื่องอะไรเลยลองทําดูสิแล้วมันก็จะได้คําตอบเพราะให้เราเล่าให้พูดไปมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ลืม แต่ถ้าเห็นด้วยกับตาอย่างนี้มันจะไม่ลืมสีปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นค่ะงั้นลืมตาสิถ้าอยากจะเห็นอะไรตอนนี้ปิดตาแล้วมาถามว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงอธิบายไปจนปากเปียกปากฉีกมันก็ไม่รู้อีกอะมันก็จะเห็นแต่สีดําอย่างเดียวเวลาปิดตามันจะเห็นสีอะไรงั้นถ้าอยากจะเห็นสีเขียวสีแดงว่ามันต่างกันยังไงก็ลืมตาขึ้นมาสิใจเราอยากจะอยากให้มันสงบ แั้วสงบแล้วมันเป็นยังไงก็พูดโทรไปสิเดี๋ยวก็สงบเองเดี๋ยวก็รู้เองมาว่ามาคำถา ม, ถามจากคุณแมวดาวนะครับขอขาดพระอาจารย์สอนวิธีปฏิบัติและทำใจเมื่อปนะ่วยหนักก็นี่แหละก็ให้ทำใจให้สงบอย่าคิดถ้าคิดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะอยากให้หายมันจะกลัวกลัวจะตาย ถ้าเราคิดความจริงไม่ได้ก็หยุดความคิดก่อนให้พุโทโธพุทโธไปพอเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บถึงความตายเราก็จะสบายใจใจสงบถ้าเราคิดความจริงได้ก็คิดไปเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเร า, เ, าเดี๋ยวมันต้องแก่เดี๋ยวต้องเจ็บเดี๋ยวต้องตายไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่าจะเป็นของใครเป็นเหมือนกันหมดเราก็เป็นหมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นคนที่ดูแลเราก็เป็นเหมือนกัน อย่างแต่ว่าคิวใครคิวมันเท่านั้นเองตอนนี้เป็นคิวของเราแล้วที่ต้องเจ็บอ่ะก็ะปล่อยมันเจ็บไปเราเป็นเหมือนหมอดูแลร่างกายก็ดูแลมันไปรักษามันไปเราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะไม่หายก็ก็อยู่กับมันไปหรือมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะร่างกายนี้ในที่สุดมันก็ต้องตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับร <t ys à> ่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้ายังคิดไม่ได้ก็เอาพุทโธพุทโธไปก่อนหยุดความคิดทำใจให้สงบพุทโธไม่ได้สวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ฟังธรรมะได้ก็ฟังธรรมะไปก่อน มันก็จะดึงใจให้เราไม่ไปคิดถึงความเจ็บไายได้ป่วยคิดถึงความตายใจก็จะสบายคำถามจะคุณทิพย์นะคะการที่เราไปทำบุญที่วัดหรือมีงานเกี่ยวกับวัดแล้วเราไปใช้น้ำไฟหรือสิ่งต่างๆเราจะติดนี่สงหรือไม่ลูกมักจะเอาเงินทำบุญใสต่ตู้เพื่อชำระนี่สงถูกต้องไหมคะ ความจริงเวลาเราไปทําบุญเนี่ยเราไปใช้ของที่วัดนี้เป็นเรื่องของทางวัดเขาบริการให้เราเราจะไม่ได้เป็นหนี้หรอกเพียงแต่ว่าคนบางคนนี่เขามันคิดขึ้นมาเองว่าเวลาเราไปใช้ของวัดแล้วเราเป็นหนี้วัดแล้วเราต้องใช้หนี้ครวามจริงไม่ได้เป็นหนี้กันหรอกวัดก็มีหน้าที่ที่จะรองรับผู้คนที่จะมาอทําบุญกันเออก็ต้องมีน้ํามีไฟอะไรไป ส่วนผู้คนที่มาทมําบุญถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนอให้มีน้ํามีไฟใช้ก็ช่วยทําบุญจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นหนี้กันเพราะว่าเป็นการให้กันและกันไงเป็นทานวัดก็ให้ทานญาติโยมญาติโยมก็ให้ทานกับพวัดเนี่ยต่างฝ่ายต่างช่วยสนับสนุนกันน้ําไฟมันก็มาจากเงินที่ญาติโยมมาทำบุญนี่แหละ ถ้าญาติโยมไม่มาทําบุญจามกันที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเพราะวันไม่มีไรายได้พระไม่มีไรายได้พระไม่ทำมาไม่ได้ทํามาหากินเหมือนญาติโยมดังั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทางวัดมีอยู่ที่เอามาจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็มาจากญาติโยมที่มาทําบุญกันนี่แหละเองแต่ข้าอาจจะเป็นอุบายสอนคนที่ตันนีว่มาม า, มาวัดแล้วก็มาทําบุญ น, นะบางคนก็พวกพวกตันนีก็มีพวกที่จะมาใช้น้ําของวัดก็มี อย่างที่วัดนี่ยตอนเช้ามื้อจะมีพวกที่เดินทางมาทางต่างจังหวัดมารถทัวร์กันเต็มเต็มรถเลยมาถึงก็มาอาบน้ําอาบท่ามาเข้าห้องน้ําห้องส้วมกันเสร็จแล้วก็ไปกันมาท่องเที่ยวกันขอสายวัดเป็นที่อาบน้ําพระเปลี่ยนล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆทางเดี๋ยวนี้วัดเลยทําทําห้องน้ําแบบอาบน้ําไม่ได้แนะ้ว น, นี่ได้แต่ใช้ห้องน้ําอย่างเดียวแต่ไม่ให้อาบน้ํา คำถามจากคุณนางฟ้านะครับถ้าเรายังมีครอบครัวอยู่เพียงถือศีห้มีความเพียรเป็นโสดาบันได้ไหมคะการจะเป็นโสดาบันไม่ใช่อยู่แค่ศีห้ามันต้องมีมีศีน ส, สมาธิปัญญาในระดับของพระโสดาบันดันั้นก็ต้องต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจยังไม่สงบได้่ยยัง ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะเห็นปัญญาได้เห็นความจริงได้ไม่สามารถเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราได้ก็ยังจะยึดติดอยู่กับร่างกายยังปล่อยร่างกายไม่ได้คําถามจากคุณมังลิกานะครับพุโทโธพุโทโธพุโทโธมีอาการเหนื่อยไหมคะสระผมลูกค้าไปพุโทโธไปรู้สึกเหนื่อยหอบ นี่นยเกี่ยวกับพุโทโธใหม่คะเวลาคิดไม่เหนื่อยบ้างเหอเวลาคิดทั้งวันไม่เหนื่อยเลยคิดหาเงินคิดเที่ยวคิดเล่นกันนี่รู้สึกไม่เหนื่อยกันเลยพอให้อยู่กับพุโทโธคําเดียวนี้มันเหนื่อยขึ้นมา <c oughs> มันก็เป็นความคิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันเหนื่อยเพราะกิเลสไม่ยาไมยาไม่คิดอะไรเหมือนก็เลยสู้กันมันก็รู้สึกหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะมันต้องต่อสู้กันเพราะว่ากิเลสมันจะให้คิดถึงข น, นมนมเ น, ม น, มนยคิดถึงของเล่น ใช่ไหมอยูน่นี่ชอบคิดอะไรชอบเล่นใช่ไหมชอบเที่ยวใช่ไหมใต้ใอ่านหนังสือนี่ไม่ไม่ชอบเลยใช่ไหมเหนื่อยเลยใช่ไหมพอให้อ่านหนังสือพอให้ทําการบ้านนี่รู้สึกมันเหนื่อยขึ้นมาเลยถ้าให้เล่นนี่ไม่รู้กี่ชั่วโมงก็เล่นได้ไม่เหนื่อยเลยยการที่มันเหนื่อยเพราะว่ากิเลสมันไม่มันไม่ชอบมันก็เลยทําให้เราเหนื่อยถ้าสิ่งไหนที่กิเลสชอบนี่มันไม่เหนื่อยหรอก นั่งเล่นไพ่กันทั้งคืนยังเล่นได้นั่งดูหนังทั้งคืนก็ดูได้พอให้พุโทโธแค่ชั่วโมงเดียวนี่จะตายให้ได้คำถามจากคุณแคสนะครับเวลานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธแล้วรู้สึกลมหายใจบางครั้งเบาบางเขาบางครั้งหายใจลึกแล้วมีอาการมึนๆควรทำอย่างไรคะ ก็รู้เฉยๆมันจะมอนก็ให้มันรู้ไปล้วก็อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าใจสงบเราทุกอย่างก็หายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสสมาเนี่ยครัมายามันก็เรียกกัามายาของกิเลสมันสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราไม่อยากจะพุทโธไม่อยากจะดูลมคาถามจากคุณแบแมนนะครับ ก่อนบริกรรมนั่งสมาธิพุโทโธเราต้องบริกรรมหรือสวดบทสวดอะไรก่อนหรือไม่ครับแล้วแต่อยากจะสวดก็ได้มไม่สวดก็ได้แล้วแต่บางคนนี่ยังพุโทโธไม่ได้ยังบริกรรมไม่ได้ก็ต้องสวดมนตไปก่อนก็สวดไปก่อนบางคนนั่งแล้วบริกรรมได้ไปเลยก็บริกรรมไปเลยคำถามจะคุณจำปาช่วงนี้ภาพอดีตตอนเด็กๆ เคยไปเล่นลบกวนเพื่อนบ้านเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแม้เวลาสวดมนต์พยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างครับถ้าไม่ต้องไปสนใจมันมันมาก็มามานาแล้วมันก็ไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้ามันมาแล้วเราไปคิดไปยุ่งกับมันมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนั้นก็เราก็อยู่กับพุโทโธไปมีอะไรผูกใจไว้แล้วเดี๋ยว อะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมามันก็จะดับไปมันก็จะเป็นเหมือนแสงห่งค่อยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปคําถามจะคุณรุ่งลัตทำไมเปเตปปอลทัตตูปะชีวิตเปตถึงรับส่วนบุญจากมนุษย์ได้ครับและเเตปจาพวกอื่นถึงรับส่วนบุญไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพระพุทธเจ้าดูเราก็รู้คร่าวๆว่าเปเตปเนี่ยเป็นพวกที่มารอรับส่วนบุญ จะจะเนเป็นพวกไหนรับได้พวกไหนรับไม่ได้นี่เราไม่ได้ศรึกษาลึกไปถึงขนาดนั้นแต่อยากจะรู้ก็ลองเข้าไปค้นหาในกู o g l e ดูสิคำถามจากคุณหมูที่ฉันเคลื่อนไหวเห็นเกิดดับแต่เมื่อเลยนับลงมันไหลตามความคิดไปเลยค่อยเห็นขอท่านแนะนำด้วยค่ะก็ดึงกลับมาสิกลับมาที่พุทโธอย่าไหลไป พอรู้ว่ากลังไหลไปขัดางความคิดเกิเดหนึ่งกลับมาที่พุโทโธพุโทโธไปต้องพยายามเกาะติดอยู่กับพุโทโธเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในน้ําเนี่ยในลําทารพอไปเจออะไรที่จะเกาะได้ก็รีบเกาะนะแล้วเกาะให้แน่นน้ํามันจะได้ไม่ทัดเราไปอ <c oughs> ันใดใจของเราก็เหมือนกระแสน้ํามันความคิดของเรานี่เป็นเหมือนกระแสน้ำมันคิดไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่มีอะไรเกาะมันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดมันก็จะไม่สงบดี๋ยวเราต้องเกาะติดไว้กับอย่างใดอย่างหนึ่งกับพุโทโธก็ได้กับนมหายใจก็ได้กับกรรมฐานสี่สิบเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบก็เลือกเอาอย่างใดก็ได้ไม่ชอบพุโทโธชอบธรรมโมก็เอาธรรมโมไปไม่ชอบธรรมโมเอาสังโฆก็สังโฆไปแล้วแต่อะไรก็ได้ที่จะดึงใจให้เรา ไม่ให้ไหลไปกับความคิดต่างๆแล้ว เ, เดี๋ยวความคิดมันก็จะหมดกําลังไปงมันก็จะสงบตัวลงคําถามจะคุณโมนีการใส่บาตรกับถวายสังฆทานจะได้รับอนิสง์ผลบุญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะได้เท่ากันเนี่ยถ้าจํานวนเงินเท่ากันนะอ้าอันไหนจํานวนเงินมากกว่าก็จะได้บุญมากกว่าทํามากก็ได้มากเหมือนกินข้าว กินมากก็อิ่มมากกินน้อยก็อิ่มน้อยคำถามจากคุณกรรวีอยากเกิดมารวยมาสวยมาเก่งต้องทำบุญด้วยอะไรก็รักษาศีลแล้วก็ทำบุญบ่อยๆใส่บาตรทุกวันหอทำบุญทำทานทุกวันไม่ใส่บาตรก็ได้แต่ให้ทำบุญบ่อยๆทำบุญเยอะๆแล้วก็รักษาศีลให้บอยสุดธิกลับมาก็จะเกิดมาสวยมารวย คำถามจะคุณแป้งใช้คำภาวนาพุทธังสระนังคาฉามิทำมังสรานังคาฉามิสังคังสระนังคาฉามิภาวนาไปเรื่อยๆจะลืมคำภาวนาไปเลยเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะหยุดนียหยุดมันก็ลืมเลยอย่าไปหยุดมันมันก็ไม่ลืมอะพอมันขี้เกียจมันหยุดป้ามันก็ลืมลคำถามจะคุณรุ่งเรือง นั่งสมาธิแล้วง่วงนอนจะหลับอย่างเดียวต้องทําอย่างไรครับเป็นนั่งในปา่าช <c oughs> ้าหน่อยเป็นือไปนั่งหน้าปากแถวก็ได้ <c oughs> คาถามจะคุณอาร์ตนั่งสมาธิแล้วเป็นดวงสว่างเหมือนดวงจันตลอดเวลาต้องทําอย่างไรต่อครับอย่าไปสนใจอย่าอย่าให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจ เรอยู่มีใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับดวงแสงสว่างอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเราเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงหรือว่าเป็นของแถมแต่ของจริงเรายังไม่ได้เราต้องการของของของจริงของจริงก็คือความสงบความว่างก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆ ถ้าเดี๋ยวแสงอะไรต่างๆเหล่านั้นดวงอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปแล้วจิตก็จะสงบจะว่างจะเย็นจะมีความสุขคำถามจะคุณมีศักด์อยากให้พระอาจารย์สั่งสอนอบรมและแนะนำวิธีถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ด้วยครับเพราะทุกวันนี้ก็ถืออยู่แต่กลัวทุกศีลต้องคอยมีสติตามทั้งวันก็ต้องคอยดูว่า เราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้แล้วว่าก็เรากำลังคิดจะพูดไม่ดีพูดปดเรากำลังจะหยิบของของคนอื่นมาเราจะกลังจะโกงเนมันถ้าไม่มีสติมันจะไม่ทันเพราะกิลเลสบางทีมันไวบางทีมันเห็นเงินปับ๊บมันหยิบก่อนแล้วแ ต, แต่ถ้ามีสติพอมันจะหยิบนี่มันจะรู้ทันทันทีเห็นต้องฝึกสติคอยดูความคิดของเรา จะมีสติดได้ก็ต้องมีพุโทโธก่อนมันมีพุโทโธพุทโธไปแล้วจิตมันก็จะดูทันความคิดมันต้องคิดก่อนมันถึงจะทําได้ก่อนที่จะไปพูดปดนี้มันต้องคิดก่อนก่อนที่จะไปหยิบเงินของคนอื่นหยิบข้าวของคนอื่นมันต้องคิดก่อนเฉะั้นถ้าเราฝึกดูใจอยู่เรื่อยๆดูความคิดของเราอยู่เรื่อยๆยุดแล้วก็หยุดความคิดของเราให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ ดูไปว่ากำลังจะขโมยแล้วก็หยิบไปหน้าตาเฉยเลยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องหยุดความคิดให้ได้ถึงจะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์แต่ยังหยุดความคิดไม่ได้เวลาเผลอ ป, ปั๊บมันไปก่อนนะแต่อย่างน้อยถ้าทำผิดแล้วรู้ว่าผิดก็เอาเอ า, เอาไปคืนเขาเอาเงินของเขามาแล้วขโมยเข้ามาแล้วรู้ว่าผิดก็ไปคืนเขาก็ยังก็ยังก็ยังดีทาให้บาปที่เราทานั้นมันมัน มันหมดไปได้ถ้าเราเขาโมยเงินเขาแล้วแต่บาปบางอย่างมันมันแก้ไม่ได้ถ้เราไปตีหัวเขาแล้วเนียเขาเจ็บแล้วเนี่ยจะไปขอโทษเขามันก็ไม่ได้ทําให้เขาหายเจ็บนอกจากไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาที่คุ้มกับที่เขาเจ็บเขาก็อาจจะอให้อภัยได้คําถามจากคุณแบทแมนนะครับเ ว, เวลาบริการพุทโธ ผมจะยึดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบางครั้งสั้นบางครั้งยาวบางทีเร็วไปก็รู้สึกเหนื่อยบ่อยครั้งที่ต้องชะลอให้ช้าลงไม่ทราบว่าผมทำถูกหรือไม่ครับจริงการภาวนานไม่จำเป็นจะต้องใช้พุทโทกับลมคู่กันไปสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยจะพุทโทอย่างเดียวก็ได้จะลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยน ความเร็วความช้าของพุโทโธนี่เราก็อย่าไปดูลมเพราะลมนี่มันมันจะมันตายตัวมันจะหายใจเข้าหายใจออกของมันทุกทุกเท่าไหร่หกสิบครั้งต่อนอาทีเลยใช่ไหมแต่ถ้าจะเปลี่ยนความเร็วความช้าของพุโทโธนี่เราก็อย่าไปผูกไว้กับลมอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วเราอยากจะให้มันเร็วก็ได้อยากจะให้มันช้าก็ได้เพราะบางเวลามันคิดมากก็เร็วขึ้นมาหน่อยมันก็จะได้ ทำให้กว่าหยุดความคิดได้ถ้ามันไม่คิดมากเราก็พูดโธไปแบบสบายๆฉะนั้นขอแนะนําว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าอย่าไปผูกติดไว้กันไม่จําเป็นไม่รู้ใครสอนนะความจริงพระเจ้าก็าไม่เคยสอนให้ผูกติดกันไว้ดูลมท่านก็ให้ดูลมอย่างเดียวเวลาดูลมใค่รู้ว่าหายใจกําลังกําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกใครรู้แค่นี้ ลมยาว ก, ก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ให้ไปเปลี่ยนลมไม่ให้ไปกำไม่ให้ไปบังคับลมให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไว้ทเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการทำทั้งหมดนี้เพื่อหยุดความคิดทเท่านั้นเองไม่ต้องการให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราดูลมเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ ถ้าเราพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้งั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าชอบบริกรรมก็พุโทโธไปจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมบางเวลาไม่ต้องเร็วก็พุโทโธไปแบบสบายสบายบางเวลาจิตมันฟุ้งมันจะแข่งกับเราแล้วก็คิดมันจะคิดแข่งกับเราแล้วก็พุโทโธให้มันถี่ขึ้นให้มันเร็วขึ้น อันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนความเร็วชา้าได้ถ้าเราใช้พุทโธเ็งอย่างเดียวถ้าเราดูลมด้วยพุทโธด้วยเราก็ต้องไปกับลมเน่ยพุทข้าโธออกพุทข้าโธออกอันนี้ไปเปลี่ยนมันให้มันเร็วให้มันชา้าไม่ได้เพราะมันต้องเป็นไปตามาความเร็วของลมหายใจคำถามจะคุณวิไลลักษลิศแห่งใจคืออะไรคะ ใช่เวลาที่เรานึกคิดอะไรจะเกิดสิ่งนั้นหรือเปล่าคะถึงเรียกว่าฤทธิแห่งใจไม่รู้เหมือนกันเพิ่งได้ยินวันนี้เป็นยังไงฤทธิแห่งใจคําถามจะคุณประกาศเคยได้ยินคําพูดที่ว่ารู้ธรรมแต่ไม่ถึงทําคืออย่างไรเจ้าคะก็เนี่ยรู้ธรรมก็คือฟังธรรมแต่ยังไม่ได้เห็นตัวธรรมยังได้รู้แต่รู้แต่ชื่อแต่ไม่เคยยังไม่เห็นตัว เป็นรู้ว่าสติเป็นยังไงแต่ยังไม่มีสติการรู้ธรรมรู้ว่าสติคือการพุทโธพุทโธแต่ความจริงไม่มีพุทโธอยู่ในใจเลยอันนี้เรียกว่ารู้ธรรมแต่ยังไม่ถึงธรรมรู้ปัญญาแต่ยังไม่ถึงปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ยังยึดยังยึดยังติดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเนียเรียกว่ารู้ธรรมรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา แต่ความจริงก็ยังยึดยังติดอยู่กับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเองคําถามจะคุณหนูนี้นะครับทําอย่างไรจึงจะคลายการยึดที่ตัวบุคคลใดคนหนึ่งได้ครก็อยู่ห่างๆเขาสิอย่าไปอยู่ใกล้เขาต่างคนต่างอยู่กันคําถามจะคุณมินนี่การที่หนูแนะนําแม่ไปว่าเวลาสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวด ไม่ต้องนึกถึงเรื่องอื่นเพราะแม่จะนึกนึกคนที่ล่วงลับไปแล้วเพราะคิดว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลอย่างนี้จะบาปไหมคะที่เราเหมือนไปสอนแม่ตัวหนูใช้พุทธโธอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วนิ่งเลยแนะนำแม่ไปแบบที่หนูทำคะ่ะก็แล้วแต่ว่าแม่เขาถามเราหรือเปล่าถ้าแม่เขาขอคำปรึกษาเราก็บอกแม่ได้ ถ้าแม่ก็ไม่ได้ขอร้องเราไปสอนแม่อันนี้ก็ไม่ควรถ้าอยากจะสอนก็ขอกาบเท้ากาบเท้าแม่ก่อนแล้วมาขออนุญาตขอสอนแม่หน่อยได้ไหมถ้าแม่บอกได้ก็สอนถ้าแม่บอกสอนไม่ได้ก็อย่าไปสอนคำถามจากคุณสุนิสาการภาวนาให้จิตอยู่กับองค์ภาวนาภายในกายซึ่งกว้างศอกยาววาหนาคืบนั้นหมายความว่าอย่างไรคะ มันไม่ได้ภาวนาที่กายมันภาวนาที่ใจ mm hmm. กายเพียงแต่ปล่อยให้มันนั่งเฉยๆที่เราภาวนานี่เราไม่ได้ภาวนาที่กายเราภาวนาที่ใจใจที่รู้ที่คิดอยู่เนี่ยเราต้องการให้มันหยุดคิดให้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปคาถามจะคุณจงศรียิ่งให้ยิ่งได้จริงไหมคะก็ลองทำดูสิ <laughs> ก็ดูพระเวชสรรดอนก็นแล้วกันแต่ไม่ได้ให้ให้วันนี้เราเย็นนี้จะได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ตอนเช้าใส่บาทเย็นนี้ซื้อหวยถูก <c oughs> บางคนใส่บาทเช้าพอเย็นซื้อหวยถูกหวยดีใจอ่ะ่ที่ว่าโอ้นี่แหละคือยิ่งให้ยิ่งได้ ấy. เดี๋ยววันหน้าลองดูไหม่ไม่ได้ลนะ้ว <c oughs> อันนั้นมันซุกเข้าใจไหมมันบังเอิญตอนเช้าใส่บาทแล้วตอนตอนเย็นก็ถูกหวยนี่ยแสดงว่ามันบังเอิญ <c oughs> การให้นี่ท่านหมายถึงให้ชาตินี้แล้วชาติหน้าถึงจะได้คืนฮจะได้มากกว่าที่เราให้ไปเพราะมันมีดอกเบีย้ยด้วยไงต่อไาเราจะกลับมาเกิดใหม่เนี่อาจจะไม่รู้อีกี่ร้อยปีเขี ด, ดูที่ถ้าเราเงินฝากธนาคารไปหลายร้อยปีเนี่ดอกมันจะมากแค่ไหนมากกว่าต้นเนี่ยใช่ไหมคุณเจริญบอกมาว่าจัดหลักสูตรอริยยุคไอทีไม่ติดขันห้าสังโยษสามได้ใหมครับ าจะจัดอะไรก็จัดไปเสียนมาถามเราทำไมไม่เกี่ยวอะไเราหน่อยอตอนนี้หมดแล้วครับมีใครจะสอบถามเพิ่ไมไหมครับเชิญเลยครับอ่ามาแล้วคำถามเกิด เ, เวลาผมทานยาสมุนไพรนครับ่รู้สึกว่ามันมันมันต้องทําใจนี่เกิดจากว่ากิเลสมันมันยังไม่ยอมละถม่เห็นทาใจเลยคือโปรตีนเนี่ยยาสมุนไพรนี่มันจะมีอยู่ประมาณ สิ่งก่อชีวิตใช่ไหมฮะที่เวลาทานลงไปเนี่ยเราต้องมาดูพิจารณาโอมม้โหนี่มันขมมันมันมันกินยากมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คุณก็ดูผลต่อการกินกับการไม่กินเดี๋ยวว่ามันอันไหนมันดีกว่ากันถ้ากินแล้วทําให้ร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บกับไม่กินแล้วต้องมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าคุณเห็นว่ากินแล้วดีกว่าถึงแม้จะขมจะยากคุณก็จะมีกําลังใจที่จะกิน ต้องดูผลที่จะได้จากการกินของเราถ้าเราไม่ดูผลมันก็อาจจะเบื่อจะท้อแท้เบื่อหน่ายอันนี้อยู่ที่อยู่ที่เราเราต้องรู้จักมองมองเหตุมองผลไงว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้อย่างนี้เราต้องการผลอย่างไนถ้าเราต้องการผลอย่างนี้เราก็ต้องทำตามตามเหตุนั้นไปแล้วเวลาเวลาเราขุกท้องขึ้นมาเวลา มันกวดมากๆเราทนไม่ไหถ้าเราถ้าเราแยกกายแยกจิตออกเนี่ยเอมันก็บรรเทาได้เป็นเป็นครางคราวนะแต่บางทีจิตก็แค่ก่อนเสมือนอย่างว่ามันเออทําไมมันมันไม่ทําไมไม่วิญญาณไม่หลุดออกไปเลยแค่แค่ว่าคืออยากให้อยากให้เอ่อทิ้งร่างนี้ไว้แล้วก็วิญญาณนี้หลุด ก็มันยังไม่ดุ่างก็ต้องอยู่กับมันต่อไปก็ปอยากให้มันดุก็จะทุกข์ไปเปล่าๆก็มีทางเดียวก็คือพยายามทำใจให้นิ่งแล้วก็อยู่กับสภาพนั้นไปอย่าไปอยากให้มันหายไปความอยากนี่มันทาให้เราทรมานไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายหรอกความเจ็บของร่างกายไม่รุนแรงเหมือนกับหมอบอกหมอจะฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันทรมานไปก่อนนะ แต่ถ้าเราทำใจว่าฉีดก็ฉีดเลยมันก็จะไม่ทรมานเนีย่ยเราต้องรู้จักทำใจให้เฉยๆให้รับความเป็นจริงของร่างกายอันนี้ร่างกายเจ็บก็ปัยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากไปอยากแยกจากมันไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้เราไม่อยากก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไร อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยไปแล้วมันจะลืมความเจ็บไปเลยแล้วความซอนประมาณใจก็จะหายไปคืออาการที่นูเล่ามาธนไม่รู้ว่าถือสมาธิหรือเปล่าคือมันมีอาการบูบลอยแล้วก็เอาแล้วก็สบายสว่างอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าใช่ไหม ก็มันสงบหรือเปล่าม um> ันคิด <im อะไรบ่างมันคิดเรื่องขึ้นนี้หรือเปล่าอ่าก็ใช้ได้แหละแล้วจะทำงให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆก็นั่งบ่อยๆทาเยอะๆไงเพราะว่าอยู่ในแอปเดียวแล้วก็มีสติมาอ่ากลับก็นั่งต่อไปเลยก็นั่งต่อไปอาของมันเองอ่าก็ต้องบังคับให้มันนั่งก็ต้องทาต่อไปถ้าไม่ทาต่อมันก็อยากจะลุก พอมันอยากจะรู้ก็ต้องฝืนบังคับนั่นให้นั่งต่อไปพูดโทต่อไปพอฟื้นมาแล้วเรารู้สึกดีอะรู้สึกว่าเงียบสงบอันนั้นคือใช่ใช่ถ้ามันสงบมันไม่คิดอะไรมันไม่วุ่นวายใจกับอะไรใช่สบายสบายนั่แหละก็ถูกแล้วที่มันมีหลายระดับสมาธิอ่ามันจะระดับไหนช่างมันไม่ต้องไปสนใจไม่กินข้าวกินข้าวชามหนึ่งมันก็อิ่มในระดับหนึ่งสองชามมันก็ระดับนึ่ง มันก็อิ่อ่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทํามากๆขึ้นเดี๋ยวมันก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะมีสติกันมาแล้วเราก็นั่งต่อได้ถ้าเราอยากจะให้มันสงบไปแล้วก็นั่งต่อไปอีกแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่งสองไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ทุกครั้งอะค่ะอ่ก็ต้องอยู่ให้มีอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับอรมณเดียวอย่าไปคิดถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่ได้แล้วก่อนจะมานั่งก็ต้องควบคุมความคิดไว้ก่อน พูดโทไปทั้งวันเลยเต่บขึ้นมาก็พูดโทไปเลยงานว่างจากงานก็พูดโทรอ่ถ้าไม่ต้องใช้เอ่ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พูดโทไปะถ้ามันไม่เินมันจะน่งสบายอ่าหรือว่าถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพูดโทก็ได้ถ้ามันคิดเพ้อเจอเพ้อฝันนั่นก็พูดโทหยุดมันแต่ถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพูดโทก็ได้ถ้ามันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆก็ไม่ต้องคิดกันช่ได้นะคะ นั่นแหล ะ, ะเพราะหยุดความคิดได้นะอพอไม่มีความคิดความอยากมันก็เกิดไม่ได้พยายามทําไปนะใช้พุโทโธหยุดความคิดไปถ้ามันคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันคิดอยากได้นู่นคิดอยากได้นนี่ก็ใช้พุโทโธหยุดมันขอบคุณครับครับเรียนถามพระอาจารย์ครับมีเด็กเข้ามาปรึกษาครับเอประมาณชั้นป .4 หรืออายุประมาณสักสิบขวบครับเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยกลัวผีอะไรนะครับ นะพอเติบโตขึ้นมาในเวลาเขาอาบน้ํานี่เขาล้างพอจะล้างหน้าอะไนี่เขากลัวฮนะอยากจะห้ผู้ใหญ่มาอยู่เป็นเพื่อ น, นนะครับขอทําแนะนําหรือว่ า, านะเป็นโปรบัยเวลาเขากลัวให้ก็คิดถึงว่าพุทธเจ้าเหมือนกันบอกพระพุทธเจ้าคุ้มของเราได้ให้เราพุทโธพุทโธไปนะพอตอนเวลาหนูกลวนรีบท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราทําร้ายเราได้ พราาะพุทเจ้าบอกเวลาไปอยู่ที่หน้ากลัวให้คิดถึงพระพุธรรมพระสงฆ์ส่วนออติปิโสไปก็ได้ส่วนอัลังสัมมาสวรรคขาโตสุปฏิปันโนไปก็ได้หรือถ้าขี้เกียจส่วนก็เอาพุโทโธคําเดียวก็ได้หรือพุโทโธธรมโมสังโฆก็ได้ให้ท่องไปพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วถ้าเด็กท่องพุธทธังสนังกะฉามิเป็นก็ให้ท่องพุธทธังสนังกะฉามิทำมังสรนังกระฉามิ สังฆังสอนนางกระฉามีบอกให้ท่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัวแล้วเดี๋ยวก็จะหายกลัวเองใช่ท่องๆหยุดๆนี่จะได้ผลดีไหมครับมันมันเหมือนก็กินยากินๆหยุดๆมันก็ไม่ได้ผลดีกับแบบกินแบบไม่หยุดต้องท่องไปจนกระทั่งมันหายกลัวเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาท่องไปท่องไปถ้าท่องยาวไม่ได้ก็ท่องสั้นๆพุทโธคําเดียวก็ได้อย่าหยุดพุทโธเดี๋ยวมันก็หายกลัวเอง เดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็จะหายกลัวความกลัวมันเกิดจากความคิดของเราเองใช่ไหมตอนก่อนที่เร า, าเราเราไม่คิดเราก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรตอนนี้เราไม่กลัวอะไรแต่พอไปอยู่คนเดียวที่มืดๆเปี่ยวๆกลั ว, ลวขึ้นมาทันทีพราคิดขึ้นมาเองเราก็หยุดความคิดนั้นเสียให้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันพอมันหยุดคิดความกลัวก็หายไปอ่มีใครถามอีกไหม มีข้างในมีมีคำถามต่อมาหรือยังมีข้อหนครับจากคุณสกุลนารานะครับจิตกับตัวรู้คืออันเดียวกันใหม่ครับคือจิตมันมีสองส่วนไงตัวรู้กับตัวคิดตัวรู้ตัวรู้เราจะเรียกว่าใจมนโนตัวคิดเนี่ยเรียกว่าจิตตัวคิดก็มีอยู่สี่ส่วนรวมกันที่เรียกว่านามขันอตัวคิดก็คือสังขารตัวจําก็คือสัญญา ตัวรับรู้ลูกเสียงจิตนัฤฤ้นก็เรียกว่าิญญาณตัวตัวสุขตัวทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาอันนี้เรารวมอยู่ในจิตส่วนตัวรู้นี่จะอยู่ในใจแต่ตัวเดียวกันในใจเนี่ยมันจะมีในจิตในใจนี่จะมีสองส่วนส่วนที่รู้กับส่วนที่คิดเวลานั่งสมาธิก็จะหยุดส่วนที่คิดก็จะเหลือแต่ตัวส่วนที่รู้ส่วนเดียวถ้าเปรียนเหมือนจอทีวี จอทีวีก็มีสองส่วนมีจอภาพกับภาพบนจอใช่ไถ้าเราเปิดจอเปิดเปิดเครื่องขึ้นมาภาพบนจอก็โผล่ขึ้นมาพอเราปิดเครื่องภาพบนจอก็หายไปก็เหลือแต่จอจอนี้ก็คือเหมือนตัวใจตัวตัวรู้พอเราคิดมันก็มามันก็มาอยู่บนจอตัวรู้อีกทีตัวรู้ถึงจะรู้เสียงรู้กลิ่นรูรรู้ความคิดต่างๆเนี่ยาะมีความคิดให้รู้ พอหยุดความคิดมันก็ไม่มีให้ความคิดเหลืออยู่เวลานั่งสมาธิเราก็จะหยุดตัวคิดตัวรู้ไอ้ตัวคิดตัวตัวจำตัวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแั้วเราจะรู้ว่าตัวรู้ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยดีที่สุดเพราะมีความสุขมากพอคิดแล้วมันปวนทำให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาพอหยุดความคิดได้ปั๊บนี่เหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความเย็นความสบาย เราถึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันเพื่อให้เข้าถึงตัวรู้นี่เพื่อหยุดตัวคิดหยุดคิดได้แล้วจะสบายเราความคิดของเราร้อยเปอร์เซ็นตนี่คิดไปในเรื่องสร้างความทุกข์ทั้งนั้นคิดไปในทางความอยากมันก็เลยทุกวุ่นวายกันไ ม, ม่รู้จักจบจากสิน้น <c oughs> พอเราหยุดความคิดได้ปั๊บนี่มันจะหายทุกข์เลยมันจะเย็ น, นจะสบายเหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ คำถามจากคุณจีราพรนะครับหนูนั่งสมาธิโดยใช้การสวรดมนต์อีสปิโสบางครั้งก็สวด2ี่สิบจบบางครั้งก็เกือบสี่สิบจบกว่าจะสงบนิ่งก่อนที่จะสงบมีอาการเหมือนตกหลุมอากาศผู้พอนิ่งแล้วจะใช้การดูลมหายใจแทนแล้วทุกอย่างจะนิ่งสงบมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเบาโล่งและนั่งดูลม ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแบบนี้ปฏิบัติถูกหรือไม่คะถูกแล้วควรจะดูลมไปเรื่อยๆเพราะมันจะลงลึกกไปไกลกว่านั้นได้อีกมันมันมีหลายขั้นสมาธิมันมีหลายระดับระดับสวดแล้วก็สงบแล้วก็ดูลมได้พอดูลมได้เดี๋ยวมันวูบลงไปที่มันก็จะสงบอย่างเต็มที่ลมก็จะหายไปร่างกายบางทีก็หายไปด้วย อย่างนั้นก็ดูปอดดูต่อไปพยายามมีสติให้ดูลมไปเรื่อยๆว่าน้าเลยถึงเรื่องเนาการจะเดินปัญญาถึงว่าเราทสมาธิไปแล้วก็ถึงจุดหนึ่งแล้วอนมพิจาการสงครั้งก็จะสลับนื่อาถือว่าเรื่องอะไรกับเรียนฐานขออนทานกับพิจานา เืองขัอะไรแบบนั้นที่ว่าที่ว่าถอนออกมานี่มันถึงเข้าไปในสมาธินานได้ยอย่างก็เข้าไปนานแล้วเออต้องให้มันถอนออกมาเองนะ <c oughs> ไม่ใช่ไปดึงมันออกมานะเว <c oughs> ลานั่งสมาธิจิตรวัวมันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่าไปดึงมันออกมาให้มันออกมาเองให้มันนิ่งนานๆ <c oughs> เออก็เป็นบางทีก็เป็นช่วงอ่า อ, อย่างนั้น <c oughs> พอนั่งไม่ไหวแล้วพอออกมาพอมาเริ่มคิดก็เอามาคิดทางปัญญา พิจารณาร่างกายยังคิดดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเหมือนเดิมไหมทุกวันนี้มันเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อสิบปีก่อนหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรดูเปรียบเทียบดูว่ามันเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือมันเหมือนเดิมตอนออกมาจากท้องแม่กับเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหรือเปล่า อยางนี้เขเรียกว่านิจังไม่เที่ยงแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงกว่ามันจะถึงเส้นเส้นชัยใช่ไหมเส้นชัยก็คือถึงวัดใช่ไหมพอถึงวัดมันก็ถึงเส้นชัยแล้วแล้วมันก็เปลี่ยนอีกใช่ไหมพอถึงวัดมันก็ไปเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นที่เท่าไปใช่ไหมนี่ก็แสดงว่ามันเป็นธาตุใช่ไหมไม่เที่ยงใช่ไหม ธรรมธาตุาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมตัวเราก็หายไปแล้วใช่ไหมตัวที่ชื่อนายกรนายขอนี่ก็หายไปแล้วเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ที่เท่าแล้วพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นดินน้ํามลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้ที่มาใช้มันสั่งมันให้ทํานูน่ทนทํานี่คนใช้คนสั่งนี่ไม่ได้เป็นร่างกายเราเรียกว่าจิตใจตัวนี้ไม่ตายไปกับร่างกาย แต่ตัวนี้กําลังทุกก kan, ับร่างกายเพราะหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรากําลังพิจารณาแยกกันว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้และห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่เป็นเราจะทุกข์ความอยากนี้ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ความความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทําให้เราทุกข์แต่ความอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ทําให้เราทุกข์เช่นความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายนี้ทําให้เราทุกข์ เราต้องหยุดความอยากตัวนี้ให้ได้ด้วยการยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการพิจารณาแบบนี้ก็จะทำให้เราต่อไปไม่ทุกข์กับร่างกายปล่อยวางร่างกายได้เวลาเจ็บก็ยิ้มได้เวลาตายก็ยิ้มได้เพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันแล้วเรายอมให้มันแก่ให้มันเจ <c oughs> ็บให้มันตายเท่านั้นเองยอมเท <c oughs> ่านั้นเองยอมหยุดแล้วก็เยนน็นเข้าใพอยอมแล้วก็หยุดต่อต้านหยุดความอยาก ย้อไม่มันแก่ย้อให้มันเจ็บย้อให้ตายแล้วก็จะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความไม่เจ็บหยุดความไม่ตายหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ตอนเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจเราก็เย็นสบายนี่แหละการพิจารณาร่างกายก็มีอย่างนี้อันนี้สําหรับเรื่องร่างกายของเราเรื่องร่างกายของคนอื่นที่เราลักที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยก็ต้องดูอสุภะของเขา ดูตับไตไส้พุงดูก็ ด, กดูหัวใจดูตับดูปอดดูอะไรต่างๆที่มันไม่น่าดูหรือดูตอนที่เขาเป็นซากศพนี้ถ้าดูอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาไม่อยากให้เข้ามาเป็นแพนเราเราก็จะได้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงา มีสองวิธีวิธีแรกก็ดูอนิจจังทุกขังนิสตาวิธีสองก็ดูสุภาษเพื่อที่เราจะได้ดับการอารมณ์ต่างๆเวลาเกิดการอารมณ์พอเห็นว่าเป็นอสุภาษปั้มมันจะหายไปเลยจการะเป็ น, คคออนปถึงการก็จะมาเรื่องากายนะตอนนี้ เ, เราจะเหมาะสมไหมคะกายะทนะก็ อของที่เราดูด้วยตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยารูปเสียงกลิ่นรสไงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกัน mm hmm. เวลาได้ดูก็สุขแต่เวลาไม่ดูก็ทุกข์ mm hmm. เวลาได้เที่ยวก็สุขเวลาไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์ mm hmm. นั้นอย่าไปเที่ยวดีกว่าอย่าไปอยากเที่ยวดีกว่าพออยากเที่ยวแล้วเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์มานั่งสมาธิทําใจใสงบดีกว่า อย่าไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสพูดง่ายๆถือศีลแปดเนี่ยให้มาถือศีลแปดกั น, นแล้วก็มาเสพความสงบแทนอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอ่าก็อย่าไปเสบสบิรูปเสียงกลิ่นรสก็คืออยายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายก็คืออยายตนะภายในของมันของอย่างนี้มันคู่กัน อา ย, ยตะนะภายนอกกับอายตะนะภายในต้องเป็นต้องจับคู่กันตาต้องมีเห็นรูปถึง hmm จะเกิดเวทนาความสุขขึ้นมาได้หรือความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีตาก็ไม่มีเห็นรูปหรือถ้ามีรูปถ้ามีตาแต่ไม่มีรูปให้เห็นมันก็มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่เกิดความสุขขึ้นมาได้ดังนอย่าไปเสพของพวกนี้เพราะเวลาไปเสพแล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์ เห็นรูปที่เราชอบก็สุขพอรูปที่เราชอบหายไปก็จะทุกข์ขึ้นมา <c oughs> งั้นให้เลิกการเสิอิยะตนะรูปเสียงกลิ่นลดให้มาถือศีลแปดมาเจรเนฆะธรมะแทนให้มาเสพความสงบแทนมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแทน <c oughs> มีอะไรไหมทางทางบ้าน ริบุถามว่ า, วากระถิญญวิญญางวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์29ตุลาเป็นของการบินไทยวันเสาร์รู้สึก จ, จะเวลาประมาณ10โมงมั้10โมงเช้าแล้วก็คุณแป้ง อ, อยากให้วัดต่างจังหวัดให้มีฟังเทศเท่าที่เห็นจัดแต่พิธีปลุกเสกพระอาจารย์เห็นอย่างไรครับไ็อยากมันได้ยังไงโลกมันเป็นอย่างนี้แหละ เราก็ทําส่วนของเราไปเลยคนอื่นเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขาเราคนเดียวเราจะไปสั่งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยนี่ทํายนี้มันทำํทำนี้ได้ที่ไหน<ม>เขาก็มีความอยากของเขาก็อยากจะปลูกเศษก็ปล่อยก็ปลูกเศษไปหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีจะได้ปิดประชุมนะคิว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดหนูคนนี้ดีเนี่ยจิตมีสมาธิดีนะนั่งเฉยเฉยได้เลนเก่งไหม <c ười> ได้ได้เล่นหนึ่งเลยได้ที่หนึ่งเลยมี <c ười> ม้อหนึ่งอ่ะเขาก็น่าสนใจครับคุณ โชคชัยครับจะตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างไรครับก็ความกิเลสน้อยลงหรือมากขึ้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมากขึ้นก็แสดงว่าถดถอยถ้ยถากิเลสน้อยลงก็แสดงว่าก้าวหน้า